ปังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลเจ้าเก่า <c oughs> <c oughs> จะแดงําก็มั่นใจมืนกับผู้ปุงว่างารเจ้าเก่ารับรองว่าอิ่มได้อาหาร ที่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายา็แต่ผู้จะลืมลดพระธรรมนั่นแค่ไหนเพียงหล่ <c oughs> <c oughs> บางทีมันติดรถของโลกอาจจะลืมลดพระธรรมในข้าวเดียวกันเพื่อน ความสุขก็ไปติดความสุขความทุกข์ก็ปฏิดความทุกข์ซะดื่มลดประธรมมุตพระธรมมั่นเห็นวันสุขไม่ได้เป็นผู้สุขค้นจากความสุขเพราะมีสติเห็นวันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์าะไรที่มาเกิดขึ้นที่เป็นลดของโลก เกิดขึ้นที่กายที่ใจเรารถประทรํา ม, มีรถเดียวแม่เหมือนรถทางโลกรถทางโลกมีหลายรถับไม่ท่วนสัตว์โลกก็ย่อมติดรถของโลก ผู้ที่จะได้ตื่มรสพระธรรมก็ต้องมีความใส่ใจพอสมควรลักษณะท่าทางชั่นเชิงจึงจะได้ดื่มรสพระธรรมได้ผู้จเจริญสติ จะเป็นผู้ที่ยิ้มยิ้มสักหน่อยไม่ น, น้าบดนน้าเบื่งตึงเครียดคอยจับผิดจับถูกกับว่าการเกิดขึ้นกับเราหมายความคิดเหตุผลมาแยกแยกเ่าให้ดึงหนีไปทางอื่นเอาะมงเคยชิยนเคยชิยนต่อเฮตุต่อผล หาคาตอบจากความคิดชอบผิดชอบคิดหาความผิดควาถูกมาเป็นเครื่องเฉลยต่อไปการตอบจากความคิดขอให้ผิดก็มีว่ให้ถูกก็มีสิ่งที่ผิดก็ยังตอบท้องตามสิ่งที่ผิดก็มีเช่นความโกรธก็ ทุกอย่างก็พร้อมที่จะโกรธ <c oughs> ตามตามความโกรธเมื่อคาตอบก็จากความคิดที่มันโกรธที่มันเป็น อ, อกุศลก็ยังทำทำตามมันก็พายเผียรได้ให้แบบเป็นทุกข์เป็นโทษก็ยังไม่รู้จก พอยกทำความผิดทำาวงชั่วสเร็จท <c oughs> ั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจเราจึงมาหัดตนสอนตนอาศัยกรรมฐานเป็นรูปแบบเป็นแบบะบับเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำ วังไว้ช่วยฝึกใหม่ๆต้องอาศัยที่ตั้งอาศัยที่เกาะให้มันช่ำนิชำนานจึงจำเป็นต้องอาศัยทิมิที่ต้องมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำ ก็มาทานตามปัภาต่างๆจับ่าใช้ได้ทั้งหมดนิมิตรเาลมเป็นนิมิตอาัยที่มีจิตอยู่ที่ลมแต่ก่อนเราลมหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้สึบตัวหายใจทิ้งปเปล่าๆวันนี้เราาลมมาเป็นนิมิต ให้เกิดความรู้สึกตัวไปกับหายใจเข้าหายใจออกแจ่ลมหายใจเข้าหายใจออกบางทีเราไม่เคยชินที่จะให้เกิดความรู้ไม่มีพลังกระตุ้นให้เกิดความรู้ได้มากก็ลองมายกมือสร้างจังหวะเคลื่อนมือที่ไม่เป็นรูปจริง มันหยาบ ก, กว่าลองหายใจอาจจะรู้สึกตัวได้สองผ่านลองดูอะไรที่มันทำให้เห็นชัดก็อาศัยถึงนั่นเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวหลายหลายแบบแม่แต่กิจที่มันคิด ไม่ค่อยรู้จึกตัวแต่ถ้าเรามีสติไปในกายที่ชำนาญในกายรู้จึกตัวที่กายเคลื่อนไหวอาจจะเห็นความคิดเป็นการเคลื่อนไหวของขิดก็อยากไปตามมันเอามาเป็นความรู้จึกตัวความคิดที่ไม่ตั้งใจให้เป็นความรู้จึกตัวย่ายความคิดพาไปอย่าเข้าไปในความคิด อดตนสอนตนพราะจชั่น e ิจำนานได้ล่องได้ลอยได้รสชาติของพระธรรมเมื่อรสชาติของพระธรรมมีในชีวิตเราแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้น รสชาติของว่าถามเจริญเติบโตขึ้นก็มีกำลังในสิ่งที่ช่วยเห็นเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาลักษณะของสินสมาธิปัญญาเป็นนั้นหลงเห็นหลงนี่เป็นสิน ไม่เป็นผู้หลงเป็นสมาธิทุ่นจะคว้มหลงเป็นปัญญานี่ชำนาญในทางนี้ขึ้นมาศีลช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นทุกข์เป็นศีลเห็นไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นสมาธิแน่ที่สุดเลย พ้นจาความทุกข์เป็นปัญญาแน่นอนที่สุดจึงเรื่องว่าศินกำจัดความชั่วสมาธิกำจัดความชั่วปัญญากำจัดความชั่วอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นก็ <c oughs> <c oughs> เกิดความสะดวกขึ้นมามีทางไปและมีวิธีที่จะปฏิบัติ เรืองมรดกเกิดขึ้นให้เห็น ด, ดูได้วยหลักดูได้ส ม, มองระพูมด้วยเสียพูมที่ดูชํานาญในส ม, มองรูมิชํานาญในเสยภูมิที่เป็นผู้ดูถ้าเป็นนักลบแทนที่ศัตรูจะฆ้าศึกจะทําลายเราก็ทำลอยเขาไ้ศึกได้ เพราะใช้ภูมิดีเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นคนจัเพราะวะที่เป็นทุกอยากไปมี่ปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าบะติเรียนกอไข่ขอไข่ถ้าทำถูกลักษณะชั่นเชิงถูกท่าทางถูกใส่ใจถูกอะไรต่างๆทำถูกในความยิ้มยิ้ม เห็นความหลงก็ยิ้มเห็นความทุกข์ก็ยิ้มยิ้มเห็นความผิดก็ยิ้มยิ้มเห็นความถูกก็ยิ้มยิ้มเห็นมันฟุ้งซ้านก็ยิ้มยิ้มเห็นมันสงบก็ยิ้มยิ้มเห็นชีวิตต่หาเกิดขึ้นก็ยิ้มยิ้มเห็นอาการต่างตานที่เกิดขึ้นกับ้ายกับใจมีความยิ้มยิ้มสติจะงงองามฉังงองามขึ้นไหว ถ้าไปจับผิดจับถูกจับผิดจับถูกโอผิดโอถูก ส, สติไม่งอกงามไม่ไม่เจริญอยู่ที่เราผู้ที่จะตั้งท่าตั้งทางอย่างไรเราจะเค่นเราทำอะไรก็มีท่ามีทางท่าทางของปฏิบัติธรรมมันต้องมี เหมือนกันจะฟันไม้ท่าทางขัดตัดต้นไม้ตรงมิี่ยืนมิตยืนที่มั่นคงถ้าทางยืนที่มั่นคงมีแรงวันลงไปแรงก็มากถ้ายืนไม่มั่นคงแรงก็น้อยแรงแหงศีลแหงสมาธิปัญญาที่จะไปทาลายข้าศึก นั่นก็เช่นเดียวกันถ้ามีท่าทางดีตั้งความยิ้มเย้มแจ่มใสไว้มีเลี้ยวมีแหงที่จะเห็นความทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ง่ายถ้าท่าทางไม่ดีคอยจะจับไปจับถูกเวลามันไหลเกิดขึ้นก็มักจะอ่อนไปตามมันค ว, มวงควมมุ่งก็มุ่งไปเลยความคิดก็คิดฟุ้งไปเลยคนไม่มีท่าทาง อะไรเข้ามาไปหิ้วไปง่ายๆตั้งท่าทางไม่ถูกต้องกิจไม่ถูกต้องตั้งกิจไว้ชอบไว้ถูกทั้งกิจท่าทางไว้ชอ บ, ก, าาชอบก็มีความเข้มแข็งเป็นอย่างนี้เรามีชีวิตอยู่ชั่วโมงเท่ากันนาทีเท่ากันแต่ถ้าต่างกันก็ตรงที่การฝึกตนสอนตรงแค่ไหนเพียงไร ยาววันเวลามากำหนดถ้าหลงเป็นหลงก็น้นชาทุกเป็นทุกก็นั่นชาผิดเป็นผิดทุกเป็นทุกนั่นชาถ้าพูดปฏิบัติเร็วไปหลงเห็นมันหลงเกิดความรู้สึกตัวจากความหลงได้ความรู้จากความหลง เราที่เกิดขึ้นมามีความรู้เป็นตัวเฉลยความรู้ก็นเฉลยงอกงามขึ้นมาได้บทเรียนได้ประสบการจากอาการต่ า, างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรามันใช่คิดหามันมาให้เราศึกษาไ <c oughs> ด้มีสติมันเปิดของที่ปิด หมอนหายของที่คว่วให้เราได้เห็นสติเหมือนอาจารย์ดิทธทัดอันพูดว่าสติเหมือนแสงไปฉายส่องสมาธิส่องให้ตรงๆงปัญญาให้มันคมชัดลงไปว่าเห็นเราให้มันคมชัดอะไรเป็นอะไรจะได้รู้ ลู่ลกลู่ปัญญาทั่วสุดเท่างร น, นั่นก็หน้าหน้าวังถ้าเป็นน้องตานี่ก็บอกว่าเหตุหันหลงเป็นศิลเป็นฉินไม่เป็นผู้หลงเป็นสมาธิพุ่นเจ้าพุ่นหลงเป็นปัญญาสติเหมือนแสงไปฉายเห็นเห็นอะไรตรงๆหรือว่าสมาธิ ไม่ใช่คุ้มคือคุมชัดนี่คือหลงไม่จริงความหลงไม่จริงผมไม่หลงจริงคือปัญญาหรือว่าคมชัดเข้าไปตอบไปเฉลยเข้าไ ป, า ไ, ปได้ผ่านได้หดได้ได้ไดบนเรียนได้ผ่านไปจากความหลงเป็นความผู้ไปจากอะไรที่มันผิดที่มันเกิดกับกายกิด ใ, ใจเราเนี่ยนี่ได้สิ่งที่ผ่านไปไม่ตันสักอย่างเลย น so. ่าหวไหวกับนิทานทองสีสันสีหงสสังทองศีนออกหน้าถ้าสีน์ไหวกัให้พี่สีหงส์มช่วยสีหงส์มาช่วยนองไม่ไหวปัญญามาช่วยที่ว่าสังทองสีสังชายสีชายสีหงสสังทองจนถึงสุบุณาเต้า คืนมาเอากิจที่ เ, เพื่อนคืนมาได้การปฏิบัติธรรมันเป็นกระบวนการว่าจะดวกทำช่วยทำรักษาทำคุ้มครองเพราะมันถูกต้องผวมหลงไม่ถูกต้องผมไว้หลงถูกต้องควมทุกข์ไม่ถูกต้องควมไว้ทุกข์ถูกต้องอะไรที่มันทำใา ไม่เปทำกับกายกับใจนี่ทำมันกับมันทั้งหมดมันทำเราเราก็ทำมันไม่ปล่อยให้มันยิงเราเออมุ่งมันยิงเข้ามาเราต้องตื่นลบมันเมือนกันเป็นนักลบที่มีอาวุธชัดเกฑ์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นอาวุธเป็นกองพลที่จะลบข้าศึก ก็าเดียวว่านักรบที่มีกองผลเิ้เพียงข้าศึกแม้จะมากับป่าก็ไั้ป่าได้ทั้งหมดถ้ามีสติดีๆมีศินมั่นคงป่าก็ทั้งหมดเลยชื่อเดชพนาตฐานลอยแบบไม่เหลือเลยเรียบก็เลยเลย ชีวิตเรียบกันเลยจนใช้ชัยชนะไม่มีภยัยชีวิตไม่มีภยัยเกิดเมื่อเกิดฝนขึ้นมาหเหนือกัเกิดเ จ, จ็บเกตายขึ้นมาได้การฝึกปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าทาเป็นรูปแบบมาสับผัดให้มีให้มาสัมผัสเอาความเท็กความจริงเป็นอย่างไร สัมผัสได้ทุกชีวิตไม่ต้องมีคำถาม <c oughs> กับรู้จักตัวไปกับกลายเคลื่อนไหวเป็น ไ, ไ, ไงให้สัมผัสเอาเคยมีครูถูกสอนแล้วนี้เกิดมาเกือบสามสิบปีไม่มีใครสอนเมื่อมีครูสอนให้เคลื่อนไหวให้รู้จักตัว อย่าอู่เฉยๆให้รู้สึกตัวอย่าไปนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆไม่มีความรู้จักตัวมันไปทางอื่นว่าเครื่องไว้ให้รู้สึกตัวใช้กายให้รู้จึกตัวก็เกิดกองเห็นชอบขึ้นมาเห็นด้วยแต่ก่อนกายไม่รู้จึกตัวอะไรเลยแล้วแต่ใจไม่ใช่อะไร าเาห็นกายที่มันเคลื่อนไหวก็เห็นจิตใจที่มันเคลื่อนไหวคือมันคิด <c oughs> แล้วก็อยากเข้าไปในความคิดเวลามันสุขก็จะเข้าไปในความสุขเวลามันทุกข์ก็จะเข้าไปในความทุกข์ให้มารู้จักตัวนี้ถูกครูสอนอย่างนี้หลวงปู่เทียนสอนเราอย่างนี้ มันก็ชำนาญนการเห็นที่มันเคลื่อนไหวเรื่องเดียวคือกายมียุ่งยากกับจิตใจที่มันใิ้เ็รูปมันก็ เ, เห็นมันเป็นรูปเป็นนามมันถูกหลอกทำผิดทำถูกที่นี่ถูกที่กายถูกที่ใจผิดที่กายผิดที่ใจอยู่ที่นีตึเงเดียวอยู่เนี่ยก็ เ, เห็นคมตอบไล่คําตอบออกมาว่าเป็นรูปเป็นนาม เป็นรูปเป็นนามก็แตกฉานอ <c oughs> ย่างไม่ดีแล้วแตกฉานเรืนรูปดองนามถะลุทะลวงห่างอย่างไม่ต้องไปทำกับมันมันหลุดไปเลยพังทลายไปเลยสุดสุดเลย อันนี้โตอันี้อันนี้ไปเท่าพันนี้พันเท่าพันนั้เหมือนสมัยก่อนที่นี่เขาถางไร่ถางป่าถางป่าเราจะตัดต้นไม้เล็กๆลงก่อนตัดไปตัดไปต้นไหนที่ไปร่มหัวช้างมันตัดไปก่อนตัดให้ขาดไปก่อนเราต้นไม่ใหญ่พันตัดตัดต้นไม้เล็กๆให้ขาดทุกต้นไปก่อน เราต้นไมเลยที่ไหนก็ทําทางไว้ใ ห, ให้เห็นทางที่จะต้องผ่านไปตัดที่หลังเมื่อจะตัดต้นไม้ให่สิบต้นยี่สิบต้นก็หาคนไปสิบต้นยี่สิบคนยี่สิบคนดูลมมันทิศทางลมพัดไปทางไหนก็ทางทางออกไปทางนั้นสวนทางกับลมพอ นัดกันแล้วก็เอคนที่อยู่ตั้งปลายลมตัดกนพวก็ตัดที่หลังตัดก็อนเหนือลมตัดต้นไม้ใหญกันล้มลงมาล้มลงก็ทับต้นนันต้นนั่นก็รั้วต้นทับทับต้นนั้นทับต้นนั้นคนนั่ต้องทับต้นนั้นเันออกไปอยู่ข้างนอกฟังเสียงต้นไม้ล้มเป็นห้านาที ชิปนาทีก็มีเลือเเรื่อเรรใจงพ่อเาดสะบั้นเลยได้ยินเสียงตัวไม้โลกที่เขาถางแถวเนี่ยสวัยก่อนเนาะ้อกวนื่อใช่ไหมมันร่มกันเลยในฤดูร้อนีปเลยงมันร่มของไวต้้งแต่ต้องมันใบมันหนา เวลาไปวันแห้งเป็นเดือนเป็นสองเดือนแล้วก็จุดฝไฟผุไม่โวอดไปเลยแต่ทอดนี่จะยังมีก็ไม่ทําลายแถวนี่ก็ไม่นี่แถวบาอย่างนี่ทอไม่อยูย่ยๆก็ไฟมันยังมไม่บหม้ไม่แต่จิงเล็กๆเท่าแขนเท่าขาเท่าตัวเนี่อาจจะไม่แล้เอาผูกข้าวตาม หลวงข้าวพาดถอนไม้เวลาจะเดินไปบางทีต้องข้ามขอไม้ตรงเลียวไปน้เดียวเดินไปวัดป่ามหาวันสมัยก่อนไม่มีทางเตินไตขอนไม้ไปจะข้ามขอนไม้ถึงสิบขอนหนกมันใหญ่ขนาดนารรีก้กระนั้น ต้องเดินไต่อขอนนี่ไต่อขอนนั่นต่อขอนใช่ไหม <c oughs> ไม่มีทางอย่างนั้นเดี๋ยวนี่หายไปไหนหมดถอนทอนม่ทมันล่มลงหายไปไหนถอนม่ที่มีหายไปไหนมันก็หมดไปชั้นใดก็ดียึดของเราเมื่อมัน เห็รูปเห็นนามมันก็พังไปพังไปพังไปจิตนี้พังไปแล้วก็แล้วไปมันทำแล้วรูนทานไลยทำนาก็ทำแล้วมันแล้วไปจิตที่มันทางแรกก็แล้วไปคือหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปม่อก็อนเก่าร่มหลงก่อนเก่าหวองทุกข์ก้อนเก่าความโกรกก้อนเก่า อะไรก็มาอ่านเก่าทำไมเราทำไม่แล้วไม่ใช่จะหลงจุดายโกจนตา ย, ตยทุกจนตายอเลยพูดว่าความหลงบังคับสุดท้ายได้ความทุกข์บังคับสุดท้ายได้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะมา อยู่แค่นี้หลือไม่ใช่เราเกิดมาหลงเกิดมาทุกเกิดมาโกรธเกิดมาวิตกกังวลเศร้าหมองวิอองวธีประเจอุ่องเหนือจริงรหรอเนีป่ปานไม่ใช่ไปอดไปทนเอกละโกรธก็อดเอาทนเอากัดพันกัดเขี้ยวหน้าบูดหน้าเบิงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> สองที่มันตามได้แล้ว ถ้าหลงยังหลงอยู่ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายถ้าทุกข์ยังทุกข์อยู่ต้องมีแก่เจ็บตายถ้าโกรธยังโกรธอยู่ต้องมีแก่เจ็บตายถ้ามันหมดแล้วว่าความแก่ความเจ็บความตายจะมีที่ไหนเรียกว่าอาหารใจอาหารชีวิตไม่ใช่อาหารใจอาหารไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือธรรมะคือปฏิบัติ เรียนตามพ่อขอตามครูเราไปพู้เจ้าเป็นบรลมครูเป็นศาสตร า, ศาผู้สนเรื่องใ้มีผู้ลู้ตามเรียกว่าพระสงฆ์เป็นพระหารมากมายโดยเฉพาะก ร, รมานตานต้ น, ตน ยังไม่มีอะไรที่มันขยายมากมายมี ร, รมวินยัยปฏิบัติตามทรรมวินายให้อว่าสามให้บวชกุลบุตรเอหิพิกุอุปสัมบทาโอวา่าน้อ ย, อยจงปฏิบัติตามทรรมวินยัยนั้น ให้เป็นชี้ชิ้นทุกวิทําไม่ไหนตัดไวด้ไปแล้วปฏิบัติตามทําไม่ไหนนั้นให้เป็นชี้ชิ้นทุกอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินาวิในคือวิคือวิเศษในยะคือนาําปสู่ก็ไม่เสดถึงไหนถึงธรรมบ ว, วมหลงไม่เป็นธรรม ปฏิบัติตามธรรมต้องไม่หลงเรื่อมทุกข์ไม่เป็นธรรมปฏิบัติตามธรรมต้องไม่ทุกข์พิจงจะเป็นธรรมไม่ไหนฮะที่บวชแล้วปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นกายที่ใจในี่เป็นธรรมไวินัยเกิดขึ้นกายที่ใจของเรานี่ที่ยังไม่ตายเลย่ยผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรม ปฏิบัติตามทำไปไหนก็คือปฏิบัติอย่างนี้มีสติเหตุมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากรมหลงนี่ทำไปไหนเป็นอย่างนี้วันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากรมทุกข์นี่คือธรรมวิไนยไว้ในแปดเตือนเปิด <c oughs> เป็นผลานขึ้นมาหนึ่งพสองร้อยห้าสิบลูก ตามประวัติศาสตร์หักฐานอ้างอิงต่อมาไม่มีพระสงมาขึ้นจึงมีแยกกว่าจะแยกเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องยาเรืองโยงวาสกวาสิกาต่างๆในศาสนาไมีการสร้างวัดสร้างว า, า, งวามีวีไหนขึ้นมา ออกไปเยอะๆเพื่อไปฏิบัติให้เป็นอันเดียวกันเนช่นได้ล่อดอกไม้ให้มันอยู่ในแถวเดียวกันเป็นระเบียบล้ว่าวิ่ในดกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิจใสใจคอเมื่อเข้ามาบวชมาอยู่ในวัดวารามเป็นเชินได้อันเดียวกันล่อเข้ากัน <c oughs> นดิบัติอย่างเดียวกันเกิด ระเบียบวินหนขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริจัทเจริญงอกงามแล้วก็มีรติเป็นมาชรรเชักแสงอะไรต่างๆจึงวางระเบียบขึ้นมาต้านๆ ท, ที่เป็นพระหัเกิดขึ้น ปฏิบัติตามทำไปไหนอย่างคือกรรมฐานเรื่องเดียวคู่เฉืนเขา้ขเขาขเกิดเฉืนออกมีสติตไอบวชมาแลว้วก็นุ่นโหนม้อยนุ่นเลื่อนว่างนุน่นภูเขาโนุ่นถ้ำแปดเดอนไม่มีกติไม่มีสาราบอกไปโหนนุ่นม้อยบอกไปในถ้ำบอกไปในหลงผางบอกไปเลยว่าไม่มีกติไม่มีสาราอยู่ เปิดปพลันข้นมามากาาาาาามายทั้งยตดทั้งโยมทั้งพระสงฆ์เม่อกรมาฐานที่ต้นต้นที่เรามาสอนกันมาพูดจู่กันฟังอยู่เวลานี้มาจากต้นต้นผู้เขียนเข้ารู้สึกเยอะเขนออกรู้สึกเวลามันคิดไปก่าสมัย นั่นถ้าวาดมนุภาพดูก็จะเห็นสิท ธ, ธะอาจจะคู่แข่งเข้ารู้สึกเกียาจแข่งออกรู้สึกอาจจะคิดถึงพลิงพาก็พระองค์ก็กลับมาคิดถึงลาหุนกลับมาคิดถึงวชิส า, าสาวลูกลับมาคิดถึงสาวสนมกํนานันไหนกลับมา กลัวตายก็กำมสังขารเกิดขึ้นรังกายที่มันทุน่าจะเป็นไข้เป็นรอ้อนเป็นหนาวรู้สึกตัวนนั่งตากแดดตากฝนก็มีอาการเกิดขึ้นโยงกัดบ้างเหลือกัดบ้างขนาดนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยเราถ้าเปรียบเทียบมรดกของพระเจ้ามาถึงพวกเรา มีวัดว่าลนาะม <c oughs> ี่อยูมัยายมีบริจาคชีเกิดขึ้นช่วยกันสร้างวัดสร้างว่ามีผ้าชีวนโฮมมีอาหารจินยารักษาโลก ไม่ต้องทมาหากินอะไรให้มาทำหน้าที่เรื่องนี้นน่าจะมีกาลังใจขึ้นมาที่จะมาทำเรื่องนี้ขึ้นมาเอาอย่างตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยของธรรมเห็นอยู่สมัสมดได้อยู่นี่รอยธรรมคือรู้สึกตัวนี่ ถ้ามัผิดถ้าไม่รู้สึกตัวกลับมานี่มีร่องรอยให้เราเลยเส้นได้ทายปฏิบัตินำตัวไปสัมผัสหัดทำให้มันตามรอยเสมอให้รู้สึกตัวอยู่แล้วมันลงไปกลับมารู้สึกตัวอยู่ก็เนีหนึ่งวันสองวันสามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีลองดู นีช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่กำหนดสมมติวันหยัดขึ้นเป็นกรรนฐเที่คืนทุกวันเพื่อจัดให้ให้ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติกำหนดเป็นสมมติขึ้นมาแล้วก็าวาันต่างกับเวลาอื่น ชจววันนี่ให้ทำเรื่องนี้เรื่องอยู่เรื่องกินคนอื่นคิดให้โสตร้องดูแลพวกเราก็ช่วยกันให้เป็นจิตอาสาที่ช่วยกันครู <c oughs> ผู้สอนก็ต้องช่วยกันเอาใจใส่ มันมีรสชาตินะเห็นที่หลวงพ่อเทียนสอนเราอย่างนี้เราก็อยากสอนคนอื่นให้เคยทำอย่างนี้ให้เขาได้รู้เรื่องนี้มันมีรสชาติเมื่อมีรสประทมเราก็อยากให้คนอื่นได้รู้จะบอกตรงที่มันผิดให้มันถูกมันจะต่างกันไนงะบอกรสประทมให้เขาได้ฉผักเขาได้ลิ้มรสประทม ไม่บอกคนที่ผิดให้ถูกต้องรือว่าเป็นความชอบที่สุดเป็นบุญโบกบุญกันในนั่เบียบก็ว่าให้ผมเป็นคนพูดแต่งตั้งมอบหมายให้ใคจรจึงก็เกิดความสำนึกกิตอาสาขึ้นมาทุกคนอา จ, จะสอนได้บอกกันได้ เคยเคยฝึกใหม่ๆกับผู้เท่าสองคนอยู่ด้วยกันแต่ปฏิบัติคกลยๆกันในป่าเวลาเรานั่งเราเคยนั่งสมาธิแบบปานาปาราจติเรานั่งสงบพ่อใหญ่คนน่งก็มาวกหล อย่าระนั่งสงบจางนั้นมันจะเป็นก้อนอีกก้อนหินให้มือยกมือเคลื่อนไหวก็ไปบอกจยงไม่หยุดเวลาเราทำอะไรเกิดขึ้นมาเพราะยอนก็มาเตือนเอานี้บาปไว้ซาแต่ก่อนมีปรกกา <c oughs> <c oughs> เขียนยันแต่ก็อนนักเขียนยัน ก็สะสมกควรไม่จะลืมมาเขียนยันก็อใหญ่เห็นไว้เขียนยันนั่งเขียนยันแต่พ่อใจก็เขียนอะไรเอาหนังสือที่ตัวเองเขียนยันมันไม่ว่าจะอ้างพ่อใหญ่นั้นก็อใหญ่ก็จับปากกจจับจับจําจําแลวเศราๆอย่าไปเขียน ปากาก็อาเฉลยไฟจะให้มาเจ้าเหมือสร้างจว่านี่ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนมอบให้พ่อใหญ่เป็นศนสอหลวงพ่อเทียนก็ต่างหากแต่หลวพ่อใหญ่ที่อยู่ด้วยกันสอนเราถูกสอนเราอะไรผิดสอนให้เราได้ทําเราจะคิดถึงพ่อใหญ่อยู่แต่ว่าตายไปแล้วเวท่านตายไปก็ท่านก็ม อ, อบศพเราพาไปม อ, อบศพที่ขอนแกนตั้งแต่ เป็นโย ม, มเราเป็นพระท่านเป็นโยมเราไปมอบศบที่ขนแก่นประมาณปีสอง4ัน้ารอยสิ่เอเชียร์ชีวิตแต่ก็เอกไปฝากศพในหลักเหรียญแทย์เหรียญที่ขนแก่นนี่คือพ่อใหญ่สอนอย่างเห็นบุญนห็นคนอยู่ไม่มีน้ำใจช่วยการสอนการ แม่คีก็สอนแม่ชีโยมก็สอนโยมได้พระก็สอนพระพระสอนโยมโยนสอนพระได้ช่วยกันจริงๆเราก็ได้สัมผัสกับความรู้จึกตัวเป็นอย่างใดเราเคยเปลี่ยนควบหลบควบรู้เป็นยังไงเราก็ออกชะนี้เราลู้อะไรก็ไปสอนเท่านั้นเวลาคนหลงก็มีอยู่ เราก็สอนเขาู้จุดตัววิธีลู้จุดตัวกับไมยุ่เอาไปสอนกันเพื่อนไปนเมตการนี่เฉยเฉยวันหนสีชีวิตจะเสัพเพื่อรักษาอาวัยวาเสียฉลอาอวัยวาเพื่อรักษาชีวิตเสียฉละชีวิต เพื่อรักษาธรรมนี่ว่าอย่างนั้นลองดู่ิขอชีพเป็นเดิมพันดูขอชีพเป็นเดิมพันดูโอ้ยรอมที่สุดแต่ว่าพลังกายพลังใจให้ดีๆนะเราจะสำเร็จได้ไม่ถึงสี่สวันนะเนาะ มุตนาตุกตานะทามีอาสาสปักที่มาปฏิบัติธรรมชีวิตแบบนี้แต่ว่าปที่แล้วนี่มีพระเหมาอยู่ไม่มีอาจารย์สอปลมเขามีที่ปฏิบัติที่ขอนมูลีเขากลับไปขอนมูรีขอนมุรีมีอาจารย์สอปลมที่นี่ไม่มีอาจารย์สอบปลม ผมก็เดินไม่หวพูดก็ไม่มีเสียงพูดมากความดันก็สูงก็เลยไม่เหมาะที่จะเป็นครูที่สมบูรณ์แบบที่ขอใช้เพื่อนช่วยกันหลายลูกหลายจานที่อยู่ที่นี่สอนได้นู่นอสองคนใช้ เ, เวลาวันนี้ครับ